วันนี้เป็นวันที่20ธันวาคมอีกประมาณ11วันก็เป็นวันสิ้นปีเวลาก็ผ่านไปผ่านไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับกระแสน้ำที่ไหลไปแล้ว ก็ไม่ไหลกลับมาเวลาผ่านไปผ่านไปชีวิตของเราก็ค่อยหมดไปหมดไปพระพุทธเจ้าจึงส่งสอนให้ชาวพุทธเรามันถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไป เรากำลังทำอะไรกันอยู่เพราะเวลานี้เราสามารถเอามาทำให้เกิดคุณกับเราก็ได้เอามาทำให้เกิดโทษกับเราก็ได้อยู่ที่ว่าเรารู้หรือเปล่าว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่ วันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังก่อภพก่อชาติก่อการเวียนว่ายตายเกิดหรือเรากำลังตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือคาถามที่พระพุทธเจ้า ส่งสอนให้ชาวพุทธเราถามตัวเราเองขาอการกระทาของเรานี่ก็เป็นไปได้สองทางด้วยกันทำแล้วทำให้เกิดพบเกิดชาติตามมาเกิดการเวียนว่ายตายเกิดตามมาหรือทำแล้วทำให้การ สิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดตามมานี่คือสิ่งที่ชาวพุทธเราควรที่จะศึกษาแล้วก็คอยสอนตนเองให้ทำในสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กับตนเองให้ละ การกระทาที่จะเป็นโทษกับตนเองการเมียนว่าตายเกิดการก่อพพก่อชาตินี้เป็นโทษกับตนเองเพราะเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับตนเองนั่นเองเพราะเมื่อมีการเกิดย่อมมีการแก่มีการเจ็บมีการตาย มีการพลาดพลากจากกันตามมาถ้าไม่มีการเกิดก็จะไม่มีการแก่การเจ็บการตายการพัดพลากจากกันตามมาการไม่เกิดจึงเป็นคุณเป็นประโยชน์กับตนเองการเกิดเป็นโทษกับตนเอง เราก็ต้องมาศึกษาว่าการกระทําอย่างไรทําให้เกิดพบเกิดชาติขึ้นมาเกิดการเวียนว่ายตายเกิดขึ้นมาการกระทําอย่างไรทําให้ตัดพบตัดชาติทําให้ตัดการเวียนว่ายตายเกิดตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า การก่อบก่อชาติการสร้างการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเกิดจากการกระทาตามความอยากสาประการความอยากได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเรียกว่ากามตัญหา ความอยากในกามความอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตเป็นความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภาวะตัณหาและความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ทุกข์ยากลาบาก เป็นความอยากที่เรียกว่าวิภวตัญหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นการกระทาตามความอยากทั้งสามนี้จะนำไปสู่การสร้างพบสร้างชาติเป็นการนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดในใต้ภพในสังสารวัฏที่จะไม่มีวันสิ้นสุด เพราะความอยากเหล่านี้จะไม่หมดตราบใดที่มีการกระทำตามความอยากอย่างต่อเนื่องอนี่คือการกระทำที่เป็นการก่อภพก่อชาติก็คือการหาลาบยศสรรเสริญการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะนี่เอง ถ้าเรากำลังหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเรากำลังก่อภพก่อชาติเรากำลังก่อกองทุกข์ให้มาทับถมหัวใจของพวกเราให้ทุกข์ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแล้วการกระทำอย่างไร ถึงเรียกว่าเป็นการกระทําที่จะตัดภพตัดชาติให้หมดไปก็คือการกระทําที่ละความอยากทั้งสามนี่เองการกระทําที่ทำให้ความอยากคือการมตัณหาความอยากในกามภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็น ให้หมดสิ้นไปจากใจการกระทำอย่างไรจึงทำให้ความอยากทั้งสามนี้หมดสิ้นไปพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าการทำทานการรักษาศีลการภาวนาเป็นการละความอยากทั้งสามชนิดให้หมดสิ้นไปจากใจ เป็นการตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดไม่ให้มีอีกต่อไปนี่คือการกระทำสองชนิดด้วยกันที่เราเลือกทำกันได้เพราะไม่มีใครมาบังคับเราได้เราต้องเป็นผู้เลือกเป็นผู้บังคับตัวเราเอง เราต้องรู้ว่าอะไรจะจะเกิดขึ้นตามมาจากการกระทาทั้งสองอย่างนี้ถ้าเรารู้เราจะได้เลือกทางที่ถูกต้องทางที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจของพวกเราเราจะเลือกไปในทางที่จะทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษ กับจิตใจของพวกเรานั่นก็คือเราก็จะเลิกหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะชนิดต่างๆแล้วเราก็จะหันมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาภาวนา แต่เราต้องคอยหมั่นตรวจสอบตัวเราเองอยู่เรื่อยๆด้วยการถามตัวเองอยู่เรื่อยๆทุกวันที่มันผ่านไปเราควรจะถามตัวเองเช่นตอนเย็นก่อนจะเข้านอนวันนี้ใกล้จะหมดแล้วพอเราตื่นขึ้นมาก็เป็นวันใหม่อีกวันหนึ่งแล้วเราก็ควรจะทบทวนดู การกระทาของเราในวันนี้ว่าเราได้ทำอะไรไปเรายังหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะอยู่หรือเปล่าหรือเรากำลังทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาต้องคอยมันตรวจสอบตัวเองอยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อจะได้ไม่หลงไม่ลืม ถ้าหลงแล้วเดี๋ยวก็จะไปในทางที่ผิดเรียกว่าหลงทางถ้ามีการตรวจสอบตนเองอยู่เรื่อยๆสามตนเองอยู่เรื่อยๆจะได้รู้ว่าไปในทางที่ถูกหรือไม่เหมือนกับเดินทางไปในที่ที่เรายังไม่เคยไป เรามีแผนที่เราก็ต้องคอยเปิดดูแผนที่อยู่เรื่อยๆว่าเรากำลังเดินไปตามทางที่จะพาไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปหรือไม่ถ้าไม่เปิดดูแผนที่เราก็อาจจะไม่รู้ว่าเราไปถูกทางหรือไม่เราก็อาจจะไปทางผิด แล้วเราก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปกันดันั้นการถามตนเองอยู่เรื่อยๆนี่จึงเป็นสิ่งที่ควรทำกันเพราะเป็นเหมือนการเปิดดูแผนที่อยู่เรื่อยๆวันๆหนึ่งเนี่ยก่อนจะนอนด้วยเวลาไหนก็ได้ถามตนเองถามบ่อยท้ย ถามยิ่งบ่อยยิ่งดีจะได้มีโอกาสผิดพลาดได้น้อยถ้านานๆานถามทีเวลาผิดพลาดไปก็จะต้องย้อนกลับมาย้อนกลับมาทางที่ถูกก็จะเสียเวลาไปมากมันถามตนเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไป เรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังก่อภพก่อชาติด้วยการไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือว่าเรากำลังตัดภพตัดชาติด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาถ้าถามอยู่เรื่อย มันก็จะทำให้เรารู้ว่าเรากำลังเดินทางไปในทิศทางไหนกันเดินไปหาความทุกข์หรือเดินออกจากความทุกข์กันนี่คือทิศทางของชีวิตของพวกเรามีอยู่สองทางเลือกทางสู่กองทุกข์หรือทางออกจากกองทุกข์ ถ้าไม่ตรวจสอบไม่คอยถามตนเองไม่คอยดูแผนที่เราก็จะไม่รู้ว่าเรากำลังไปในทิศทางไหนเรากำลังเดินเข้ากองทุกข์แต่เราก็อาจจะคิดว่าเรากำลังออกจากกองทุกข์ก็ได้เพราะทางสู่กองทุกข์นี้มันมักจะมีความสุขมาคอยหลอกล่อเราอยู่นั่นเอง เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดทำให้เรามองไม่เห็นเบ็ดเห็นแต่เหยื่อเราก็อาจจะคิดว่าเรากำลังหาเหยื่ออันโอชะมารับประทานความสุขที่เราได้จากลาบยศสลาเสินจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะนี่ก็เป็นเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ด มันหุ้มห่อตัวเบ็ดไว้อย่างบิจชิตทำให้เราไม่เห็นทำให้ไม่เห็นเบ็ดตัวเบ็ดเห็นแต่เนื้อเห็นแต่เหยือ่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสพทธะนี่มันจะหุ้มห่อกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ทำให้เรามองไม่เห็นว่าเรากำลังเข้าหากองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกองทุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายถ้าเราไม่วิเคราะห์ด้วยปัญญาเราจะมองไม่เห็นคนส่วนใหญ่ในโลกนี้เห็นการหาลาบยศสรรเสริญ การหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะต่างๆว่าเป็นการหาความสุขให้กับตนเองหาหรือไม่ว่ากําลังหากองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้กับตนเองหาหรือไม่ว่ากําลังก่อภพก่อชาติให้กับตนเองถ้าไม่รู้จักวิเคราะห์จะไม่เห็น จะเห็นว่าเป็นความสุขจึงมีความหลงหลาคลั่งคล้ายกันอย่างมากในการหาลาบยศสรรเสริญในการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลภะชนิดต่างๆคนเราแข่งแย่งกันหาเงินหาทองกันหาลาบกันหายศกันหาตำแหน่งกัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะมีการแข่งแย่งชิงดีในการหาลาบยศเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกิดนัดกันเพราะความหลงโมหะอาวิชชาความไม่รู้ว่ากำลังหากองทุกข์กันกำลังหากองทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดเกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายกัน เพราะไม่มีปัญญาที่จะสามารถวิเคราะห์เห็นกองทุกของการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะถูกความสุขของลาบยศสรเสริญของรูปเสียงกล่นลดโอสถพ้หุ้มห่อเอาไว้อย่างมิชิดเหมือนกับเบ็ดเหมือนกับเหยื่อที่ที่ติดอยู่ปลายเบ็ดทำให้ไม่เห็น ตัวเบ็ดเห็นแต่เหยื่อแต่พอไปฮุบเหยื่อเข้าเท่านั้นถึงจะได้สัมผัสกับตะขอเบ็ดตะขอเบ็ดก็จะเกี่ยวปากทำให้ติดทำให้ทุกข์กับกับตะขอเบ็ดอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะชนิดต่างๆเราก็จะติดอยู่กับการหาความสุขเหล่านี้ไม่ว่าเราจะหามาได้มากน้อยเพียงไรเราจะไม่พอความพอจะไม่เกิดเกิดแต่ความอยากเพิ่มขึ้นอยากหาให้มีมากขึ้นเพิ่มขึ้น พความสุขที่ได้มันหมดไปอย่างรวดเร็วมันไม่ได้มีอะไรตกข้างหลงเหลืออยู่ในใจเลยเป็นเหมือนควันไฟที่ค่อยละลายจางหายไปในอากาศไม่ว่าจะก่อกองควันขึ้นมามากน้อยเพียงลยไม่ช้าก็เร็วควันเหล่านั้นก็จะละลาย จางหายไปในอากาศเหมือนกับความสุขที่เราได้จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพภพชนิดต่างๆได้มาแล้วมันก็ค่อยๆจางหายไปเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็ทำให้เราอยากได้ใหม่อีกแล้วได้ไปเที่ยววันนี้ความสุขก็ มีอยู่ในหัวใจอยู่ได้ระยะหนึ่งเดย์วันสองวันความสุขนั้นที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปหมดทำให้เราต้องออกไปเที่ยวใหม่อีกเที่ยวไม่ไม่ว่าจะเที่ยวกี่ครั้งก็ตามความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวมันก็จะจางหายไปหมด มันจึงทำให้เราติดกับการเที่ยวติดกับการไปหารูปเสียงเกลดนสต่างต่างติดกับการดูภาพยนตร์ดูละครติดกับการฟังเพลงฟังอะไรต่างๆเพราะมันไม่เคยให้ความอิ่มให้ความพอมันกลับทำให้เกิดความหิวเกิดความอยากขึ้นมาใหม่ๆอยู่เรื่อยๆ นี่แหละคือธรรมชาติของความสุขที่เราหากันอยากราบยศสะเสริญอยากรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะมันจะทำให้เราไม่มีคำว่าพอมันจะมีแต่คำว่าอยากและมันจะอยากไปจนถึงวันตายพอร่างกายตายไป ความอยากมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากนี่มันอยู่ที่ใจอยู่ในใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากมันก็จะพาใจนี้ให้ไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ตาหูจมูกเล่นกายของร่างกายอันใหม่มาหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ มหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพัชกันใหม่นั่นเองพอได้ร่างกายมาใหม่ได้เกิดใหม่ก็ต้องมาเจอกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอันใหม่ไม่ว่าจะได้ร่างกายมากี่ร่างก็ตามร่างกายทุกร่างกายนี้มีความแก่มีความเจ็บมีความตายตามมาเสมอ นี่หละทำไมจึงทำให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะการหาความสุขผ่านทางร่างกายนี้มันไม่ให้ความอิ่มความพอกับใจนั่นเองแต่ให้ความหิวความอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจึงทำให้ใจนี้ต้องไปหาร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยๆ หลังจากที่สูญเสียร่างกายอันเก่าไปใจก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ต่อและก่อนที่จะไปได้ร่างกายอันใหม่ก็จะต้องไปเกิดในภพ ต, ต่างๆตามกำนาของบุญของบาปที่ได้ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ในขณะที่มีชีวิตอยู่ในขณะที่หาลาบยศสารเสริญ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะบางทีก็ จ, จะหาด้วยวิธีทำบาปก็จะสะสมบาปไว้ในใจบางทีก็ได้มีโอกาสทำบุญถ้าหาลาบยศสรเสริญมาได้มากกว่าที่จะใช้ได้ด้วยตนเองก็แบ่งให้ผู้อื่นใช้บ้าง ก็ได้มีโอกาสได้ทำบุญเช่นถ้าหาเงินหาทองได้มากใช้ไม่หมดมีเหลือกินเหลือใช้ก็อาจจะอยากจะแบ่งให้กับผู้ที่เรารักผู้ที่เราเคารพผู้ที่มีพระคุณกับเราก็ได้ทำบุญแต่ถ้าหาไม่พอก็อาจจะต้องไปทำบาป เพื่อที่จะได้หาสิ่งที่อยากได้มาให้ความสุขกับตนการมาเกิดมาหาลาบยศสารเสริญมาหารูปเสียงกิรลดปวดทะพาชนิดต่างๆนี้จะพาให้เราต้องไปทำบุญบ้างไปทำบาปบ้างแล้วแต่โอกาสแล้วแต่เหตุการณ์ถ้ามีโอกาส ดีก็อาจจะได้ทำบุญถ้ามีโอกาสไม่ดีก็อาจจะต้องทำบาปและบุญและบาปนี้มันจะสะสมไว้ในใจและจะเป็นตัวที่จะมาตัดสินว่าใจจะไปเกิดในภพไหนชาติไหนก่อนที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์ต้องผ่านภพชาติของบุญหรือบาปที่ได้สร้างไว้ก่อน ถ้าได้บุญมีบุญมากกว่ามีบาปเวลาตายไปบุญก็จะเป็นผู้ที่จะตัดสินให้ไปเกิดในสวรรค์ให้ไปเกิดเป็นเทพชั้นต่างๆหรือเป็นพรหมแล้วแต่วิธีหาบุญว่าจะหาแบบไหนหาบุญแบบทำทานรักษาศีลห้า ก็จะได้สวรรค์ชั้นเทพถ้าหาบุญแบบรักษาศีลแปดและฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบก็จะได้สวรรค์ชั้นพรหมแต่ไม่ว่าจะเป็นสวรรค์ชั้นพรหมหรือสวรรค์ชั้นเทพเดี๋ยวพอบุญที่ได้ส่งไปนั้นหมดกำลังลงเหมือนน้ำมันรถยนต์หรือน้ำมันของเครื่องบิน เครื่องบินเวลาจะขึ้นลอยขึ้นไปบินขึ้นไปในอากาศในท้องฟ้าจะต้องเติมน้ํามันก่อนแล้วพอบินอยู่สักระยะหนึ่งน้ํามันก็จะหมดพอน้ํามันหมดก็ต้องกลับลงมาเติมน้ํามันใหม่ดวงวิญญาณที่หลังจากที่ตายไปแล้วที่ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆ หรือไปเกิดในอบายชั้นต่างๆก็จะต้องกลับมาเติมบุญเติมบาปใหม่คือต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่หลังจากที่บุญที่ได้ส่งไปสวรรค์หมดกำลังลงก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือบาปที่ส่งให้ไปเกิดในอบายหมดกำลังลงก็จะกลับมาเกิด เป็นมนุษย์ใหม่เพราะอยากจะมาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะใหม่อยากจะมาหาความสุขจากราบยศสรรเสริญใหม่ก็จะพาให้กลับมาเกิดใหม่มาด้านร่างกายของมนุษย์ใหม่แล้วก็มาหาความสุขอย่างที่หากันอยู่ทุกวันนี้การหาราบยศสรรเสริญ หาความสุขจากรูปเสียงเกีดรตนี้เป็นสิ่งที่ไม่ต้องสอนกันเลยทุกคนนี่ต้องการเหมือนกันทุกคนอยากได้เหมือนกันไม่ต้องสอนมีแต่ต้องคอยห้ามคือห้ามไม่ให้หาโดยวิธีทาบาปะช่นตอนเป็นเด็กๆไร้เดียงสาไม่รู้จักผิดถูกดีชั่ว แต่มีความอยากได้ราบยศสารเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นดนสดแต่อาจจะไม่รู้ว่าถ้าได้มาโดยวิธีทาบาปนี้จะเกิดโทษตามมาพอไปหาราบยศสารเสริญโดยวิธีทาบาปทาผิดกฎระเบียบก็จะถูกผู้หลักผู้ใหญ่ว่ากล่าวตักเตือนเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์ต่าง แต่ความอยากหาราบยศสารเสริญนี้มีอยู่ฝังมาอยู่ในใจของใจของทุกๆุกคนที่มาเกิดไม่ต้องสอนไม่ต้องบอกว่าให้ไปหาราบยศสารเสริญให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรดกันเพียงแต่ต้องคอยสอนว่าอย่าไปหาแบบทําบาปให้หาหาแบบวิธีที่ไม่ทําบาปกันนี่แหละ คือการกระทาที่จะพาให้เราต้องมาเจอความทุกข์กันเพราะการเกิดนี้มันมีความทุกข์รอบด้านทุกข์ตั้งแต่วิตาทีที่ออกมาจากท้องแม่เพราะออกมาจากท้องแม่ก็จะต้องหายใจเองถ้าไม่หายใจก็จะตายอันนี้ก็เป็นทุกข์อันแรกเราต้องหายใจเอง เราก็ต้องทุกข์กับความหิว เ, เวลาอยู่ในท้องแม่นี้ไม่ต้องหายใจเองเอาศัยลมหายใจของแม่หล่อเลี้ยงไม่ต้องกินอาหารเองเอมีอาหารส่งมาตามสายสะดือ อ, อยู่ในท้องแม่นี้สบายาไม่มีความทุกข์เลยแต่พอออกจากท้องแม่มาทีนี้ต้องทำอะไรเองแล้ว ต้องหายใจเองต้องหาต้องดื่มน้ําเองต้องรับประทานดื่มอาหารเองดื่มน้ำเดื่มอาหารเองดื่มนมต้องรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้เหมาะสมถ้าร่างกายเย็นเกินไปก็จะเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ต้อง พอเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องร้องจะแสดงความทุกข์ให้กับบิดามารดาได้ทราบพอบิดามารดาได้ยินเสียงร้องก็ต้องมาตรวจสอบแล้วว่าตอนนี้ทุกข์กับเรื่องอะไรทุกข์กับการหิวน้ำทุกข์กับการหิวอาหารหรือทุกข์กับการเจ็บไข้ได้ป่วยจะจับตัวดูว่ามีไข้หรือเปล่า นี่ทุกมาตั้งแต่วันเกิดเลยไม่ใช่จะมารอวันแก่วันเจ็บวันตายเท่านั้นการมาเกิดนี้มีความทุกข์รอเราอยู่ตั้งแต่วินาทีแรกที่คลอดออกมาจากท้องแม่เลยพอมีร่างกายแล้วก็ต้องเลี้ยงดูมันถ้ามันขาดปัดใจจัยใดปัดจจัยหนึ่งมันก็จะแสดงอาการทุกข์ให้เราเห็นทันทีร่างกายขาด น้ำขาดอากาศขาดอาหารเมื่อไหร่มันจะแสดงอาการทุกข์ขึ้นมาทันทีและการหาปัจจัยมาเลี้ยงก็เป็นไม่ใช่เป็นการหาแบบได้อย่างง่ายดายไม่ใช่เป็นเหมือนกับน้ำฝนที่ตกลงมาจากท้องฟ้าต้องมีการตะเกียกตะกายมีการดิ้นรนขวนขวายหาปัจจัยสี่ มาเลี้ยงดูร่างกายก็ต้องทุกข์กับการหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็ต้องมาทุกข์กับภัยรอบด้านของร่างกายทุกข์กับภัยที่มาตามธรรมชาติเช่นมามาด้วยไฟไฟไหม้มาด้วยน้ำท่วมมาด้วยแผ่นดินไหว มาด้วยพายุนี่ก็เป็นภัยที่จะสามารถมาทำลายร่างกายได้มาสร้างความทุกข์ให้กับร่างกายได้นอกจากภัยธรรมชาติยังมีภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเป็นเด็กเกิดมาเขาต้องรีบฉีดวัคซีนป้องกันกันเลยไม่งั้นเดี๋ยวอีสุกอีสายก็มาอ ะ, อะไร โรคภัยต่างๆจะเข้ามาเบียดเบียนทันทีเนก็ต้องมีการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนชนิดต่างๆนอกจากภัยจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วยังมีภัยที่เกิดจากเพื่อนมนุษย์หรือเพื่อนหรือสัตว์เดรัจฉานอีกเนก็ต้องคอยระวังอย่าไปเจองูอย่าไปเจอสัตว์ร้าย เจอสัตว์ร้ายก็อาจจะถูกสัตว์ร้ายกัดทำให้ตายได้นอกจากสัตว์ร้ายแล้วยังมีมนุษย์ที่ไม่ที่ใจร้ายอีกมนุษย์ที่ไม่ปรารถนาดีก็อาจจะเอาไปทำร้ายได้อีเนี่ยโลกนี้มันมีแต่ความทุกข์รอบด้านมีภัยรอบด้านการมาเกิดนี้เป็นการมาหาทุกข์มาหาภัย ทั้งทั้งที่คิดว่ามาหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสแม้นความสุขที่ได้จากลาบยศสรรสุขสรรเสริญสุขหรือจากรูปเสียงกลิ่นรสมันก็ยังมีภัยในตัวของมันอีกเพราะลาบยศสรรเสริญมันก็มีทั้งแบบที่เราชอบและแบบที่เราไม่ชอบนะ เวลาได้แบบที like like like <S <S ่เราชอบก็เกิดความสุขขึ้นมาเวลาได้แบบที่เราไม่ชอบมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเราชอบความเจริญของลาบยศสารเสริญสุขกันแต่เราไม่ชอบความเสื่อมของลาบยศสารเสิญสุขกันแต่เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะนี่มันเป็นธรรมชาติของลาบยศสารเสิญสุข ที่มันมีทั้งสองแบบด้วยกันมีทั้งแบบที่เราชอบและแบบที่เราไม่ชอบและบางทีเราก็เลือกไม่ได้ห้ามไม่ได้ไม่อยากได้แบบที่เราไม่ชอบแต่มันบางทีก็ยัดเยียดให้เราบางทีเราก็ต้องไปเจอกับความเสื่อมของลาบยศสรรเสริญความเสื่อมของความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆทั้งๆ ท, ที่เรา ไม่อยากได้ไม่อยากเจอแต่บางทีมันก็ต้องเจอมันคนบางคนรวยแล้วจนก็มีคนบางคนใหญ่แล้วก็กลับมาเป็นเล็กก็มีมีตำแหน่งมียศวันดีคืนดีก็ถูกปลดยศปลดตำแหน่งได้เรือถึงวาระที่มันจะต้องสิ้นสุดลง เช่นเป็นข้าราชาการได้ยศตำแหน่งกันขึ้นไปไต่เต้าขึ้นไปจากขั้นต่ำไปจนถึงขั้นสูงแต่พอครบอายุราชาการก็ถูกปลดออกทันทีเนี่ยนี่คือความทุกข์ที่เรามาเจอกันโดยทั้งๆั้งที่เราไม่อยากจะได้กันเพราะเราต้องการความสุขกันเพียงอย่างเดียว แต่มันก็ต้องเจอกับความทุกข์เหล่านี้ความสุขที่ได้จากรูปเสียงกินรสก็มีวันเสื่อมเหมือนกันเช่นความสุขที่ได้จากคนที่เรารักวันดีคืนดีเขาก็อาจจะจากเราไปก็ได้วิธีจากของเขาก็มีหลายวิธีด้วยกันจากพ่อตายก็มีจากพาอทิ้งเราก็มีหนีเราไปก็มี เพราะว่าเขาไม่สามารถทาหน้าที่ให้ความสุขเรากับเราก็มีเช่นเกิดเวลาเขาพิกลพิการไปเราก็อาจจะไม่อยากจะอยู่กับเขาอีกแล้วเพราะเขาไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้ก็อาจจะต้องมีการจากกันเขาไม่จากเราเราก็จากเขานี่คือเรื่องของความทุกข์ กองทุกของการเกิดพอเกิดแล้วมาแล้วเนี่ยต้องเจอกับความทุกข์ต่างๆแบบนี้แล้วก็ต้องมาเจอความทุกข์ในบ้านปลายของชีวิตอ arrived, <mon vet ine Twelve valley> ีกที <mon vet ine quote heart> ่ทุกคนที่ฟันฝ่าความทุกข์ต่างๆมาได้พอเข้าสู่วัยแก่ก็ต้องมาเจอกับกองทุกข์ของความแก่ชราเวลาแก่ก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรง จะทำอะไรก็ไม่คล่องแคล่วว่องไวทำอะไรก็รู้สึกยากลำบากไปหมดหูตาก็มัว น, นี่คือความทุกข์ที่เกิดจากความแก่แล้วเวลาแก่ก็จะถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมากเพราะอา ว, วัยวะต่างๆในร่างกายมันเริ่มเสื่อมลงมันเริ่มหมดคุณภาพ ไม่สามารถทำหน้าที่ให้ร่างกายอยู่อย่างปกติสุขได้เริ่มเจ็บตรงนั้นเริ่มปวดตรงนี้เริ่มเป็นโรคนั้นโรคนี้โรคหัวใจโรคดับโรคตยโรคสารพัดโรคต่างๆก็จะเริ่มโผล่ขึ้นมาไปจนถึงวัน วันสิ้นลมหายใจก็คือวันตายนี่คือภาพของความทุกข์ของการที่เรามาเกิดกันถ้าเราไม่มานั่งวิเคราะห์มานั่งพิจารณากันเราอาจจะคิดว่าการเกิดนี้โอ้ยดีเล้อเกินเวลาใครได้ลูกนี้โอ้โหแสดงความยินดีกันดีใจที่ได้ลูกกัน แต่หารู้แม่ว่ากำลังได้กองทุกข์กันทั้งตัวลูกเองก็ได้กองทุกข์ทั้งเพ่อตัวพ่อแม่ก็ได้กองทุกข์เพราะจะต้องมาเลี้ยงดูลูกอีกจะต้องมาหวงมาห่วงมากังวลมาทุกข์กับความเป็นความตายของลูกลูกเป็นอะไรพ่อแม่ก็มักจะเป็นไปกับลูกลูกทุกข์พ่อแม่ก็ทุกข์ไปกับลูกลูกสุข พ่อแม่ก็สุกไปกับลูกเนี่ยลูกลูกไปบวชพ่อแม่ก็ไปบวชกับลกูกเวลาลูกไปบวชที่วัดพ่อแม่ก็ตามไปวัดนะเวลาลูกติดคุกติดตารางพ่อแม่ก็ไปติดคุกติดตารางกับลกูกพ่อแม่ก็ต้องไปคุกไปตารางไปเยี่ยมลูกอยู่เรื่อยๆนี่คือความทุกข์ที่เกิดจากการมีลกูกเนี่ย แต่ถ้าไม่คิดก็จะคิดว่าโอ้ยมีลูกมันมีความสุขมีเพื่อนแก่งเหงามีมีอะไรที่จะมาคอยดูแลเราในายามที่เราแก่เราชราเวลาเราไม่สบายถ้าได้ลูกกระตันอยู่ก็ดีไปเนี่ยถ้าไปได้ลูกอาการตอญูก็ช่วยไม่ได้ลูกมันก็ไม่เหลียวแลเรา มันจะไปห่วงแต่ผัวมันเมียมันลูกมันส่วนพ่อแม่มันเลิมไปแล้วมันไม่สนใจเนี่ยนี่เรื่องของการมาเกิดการที่เราหาลาบยศสารเสรญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลธรรพะนี่จะพาให้เราต้องกลับมาเกิดใหม่ยือเรื่อ ย, เ, อยเพราะว่าไม่ว่าเราจะ หาได้มากได้น้อยเท่าไหร่มันจะไม่มีคำว่าพอจะไม่มีคำว่าอิ่มอิ่มก็อิ่มเดียวเดียวพอก็พอเดียวเดียวแต่ไม่อิ่มแบบถาวรไม่พอแบบถาวรมันกลับจะทำให้เกิดความหิวเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆหิวไปเรื่อยๆจนวันตายพอร่างกายนี้ตายไป ก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ต่อแล้วก่อนที่จะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ได้ร่างกายของมนุษย์ก็ต้องไปเกิดในสวรรค์หรือเกิดในอบายก่อนตามอำนาจของบุญหรือของบาปที่ได้ทำเอาไว้ถ้าทำบาปด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงหรือความไม่เชื่อว่าบาปนี้มีจริงตายไปก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัฉาน ถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นนสูลกายทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็ไปนรกถ้าทำบุญก็ได้ไปสวรรค์ถ้าทำบุญด้วยการทำบุญทำทานรักษาศีลไม่ทำบาปก็จะได้ไปสู่สวรรค์ชั้นเทพหกชั้นด้วยกัน ขึ้นอยู่ว่าทำมากทำน้อยตั้งแต่ชั้นจาตุมยามะดูสิ์อีกสามชั้นปรินิมอะไรนียมีอยู่หชั้นด้วยกันดาวดึงนิมานปัลินิมนี่คือสวรรค์ที่ผู้ที่รักษาศีลแล้วก็ทำบุญทำทานจะได้ไปกัน แล้วผู้ที่รักษาศีงแปดแล้วฝึกสมาธิก็จะได้ไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมเนี่ยแต่ก็ต้องกลับลงมาใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่หลังจากที่บุญที่ส่งไปหมดกำลังลงเหมือนกับน้ำมันของเครื่องบินพ อ, อเครื่องบินรู้ว่าน้ำมันจะหมดนี่ต้องรีบหาสนามบินลงนะ พราถ้าไม่ลงแบบลงสนามบินอาจจะไปลงในทองทุ่งนาก็ได้ต้องรีบหาสนามบินลงก่อนเพื่อจะได้มาเติมน้ํามันใหม่อันนี้ก็เหมือนกันพอบุญหรือบาปที่ส่งให้ไปเกิดในสวรรค์หรือในอบายหมดกําลังลงก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ <c oughs> แล้วก็มาทําแบบเดิมต่อไป มหาลาบยศสรเสริญมาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่างๆแล้วก็อาจจะหาโดยวิธีทำบาปหรือไม่ทำบาปแล้วถ้าหาได้มากก็อาจจะเอาไปทำบุญเอาไปจากให้คนอื่นนี่คือเรื่องของจิตใจของพวกเราที่มาเกิดในโลกของมนุษย์นี้มีความเป็นมาอย่างนี้ มีความเป็นไปอย่างนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีหาความสุขถ้าเรายังหาความสุขจากลาบยศสนเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระอยู่นี้เราก็จะวนเวียนอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้มาเจอกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ที่รู้วิธีที่จะทําให้เรา ยุติการเวียนว่าตายเกิดยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้โดยสอนวิธีการหาความสุขแบบใหม่ให้กับพวกเราให้เราเลิกหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆด้วยการมาหาความสุขจากการทำบุญทำทานการรักษาศีลและการภาวนาอันนี้คือ ทางเลือกทางใหม่ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรูว์ทรงค้นพบทางที่จะพาให้เราออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ออกจากกองทุกของสังสารวัฏของตายภพของการมมาภพของรูปภพของอรูปภพเนี่ยต้องออกด้วยการทำทานนักษาสิงภาวนาการทำทานทำอย่างไร ก็เอาเงินที่เราจะไปซื้อภพชาตินี้มาตัดภพตัดชาติด้วยการทำบุญถ้าเราเอาเงินไปเที่ยวเรากำลังไปซื้อภพชาติไปเกาะภพเกาะชาติถ้าเราเอาเงินที่ไปเที่ยวนี้มาทำบุญเราก็จะตัดภพตัดชาติให้น้อยลงนั่นเองเช่นปีใหม่นี้มีหยุดห้าวันถ้าเราจองตัว๋วจองที่พักจองอ เครื่องบินไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเรากำลังไปก่อพบก่อชาติกันถ้าเราเปลี่ยนใจเอาไม่ไปดีกว่าวันนี้มาฟังเทศแล้วอยากจะตัดพบตัดชาติออก็เลิกแคนเซลตั๋วเตเละทั้งหมดเอาเงินคืนแล้วก็เอาเงินไปทำบุญดีกว่าออไปวัดห้าวันออถ้าอยู่วัดได้ก็อยู่เลยถ้ายังอยู่ไม่ได้ก็ไป ทุกวันก็ได้ไปฟังเทศฟังธรรมไปทาบุญไปหัดนั่งสมาธิก่อนอันนี้ก็จะทำให้เรามีการตัดภพตัดชาติขึ้นมาแล้วคือเราต้องเอาเงินที่เราใช้ตามความอยากทั้งสามนี้มาใช้กับการทาบุญทาทานให้หมดถ้าจะเอาเงินไปหาลาบยศสรรเสริญก็เอามาทาบุญทาทาน ถ้าจะเอาเงินไปหารูปเสียงกลิ่นรสไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปซักไปท่องเที่ยวในต่างประเทศในหรือในประเทศเหมือนกันสถานที่ไม่เกี่ยวอยู่ที่ว่าทำด้วยความอยากหรือไม่ถ้าทำด้วยกามาตัานหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอันนี้มันจะพาให้เราไปก่อพบก่อชาติให้มีไม่มีวันสิ้นสุด เราต้องยุติการใช้เงินตามความอยากทั้งสามนี้ไม่ใช้เงินเพื่อกามรัญหาไม่ใช้เงินเพื่อวิภาวะตัณหาหรือวิภาวะตัณหาเอาเงินนี้ไปทาบุญแทนความสุขที่ได้จากการทำบุญนี้ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะเป็นความสุขที่ ให้ความอิ่มให้ความพอจะทำให้ไม่หิวไม่อยากไปเที่ยวไม่อยากไปใช้เงินฟุ่มเฟือยกับสิ่งฟุ่มเฟือยต่างๆทำให้เราอยู่บ้านมีสุขมีความสุขอยู่บ้านอย่างมีความสุขได้ไม่รู้สึกอึดอัดนำคาญใจไม่รู้สึกเหงาหรือว้าวเวเวลาที่ไม่ได้ออกไปเที่ยวข้างนอกบ้าน เพราะการทำบุญนี้จะให้ความอิ่มใจสุขใจและจะตัดความอยากไปเที่ยวให้น้อยลงไปได้ความรู้สึกไม่ดีต่างๆมันเกิดจากความอยากออกไปเที่ยวนอกบ้านพอไม่ได้เที่ยวมันก็จะรู้สึกหงุดหงิดหงุดหิตนำคาญหรือเหงาหรือว้าเหวแต่ถ้าได้ไปทำบุญแล้วพอกลับมาอยู่บ้านจะไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าเหว นี่คือวิธีแรกคือการใช้เงินไปในทางที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจอย่างแท้จริงให้ความสุขให้ความอิ่มกับใจแล้วก็ตัดความหิวตัดความอยากที่จะไปหาความสุขตามความอยากต่างๆนี่เป็นขั้นแรกเรียกว่าทานทานแตลว่าให้ให้เงินทองที่เราจะเอาไปใช้ตามความอยากนี้ ถ้าเราไม่มีเงินทองจะไปเที่ยวก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องทำบุญนะสมมติเราไม่มีเงินเที่ยวปีใหม่นี้เราก็กะไม่ไปไหนอยู่แล้วเพราะไม่มีเงินไปก็ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีเงินไปทำบุญเมื่อไม่มีเงินทำบุญก็ไม่เป็นไรตราบใดถ้าเราไม่ได้เอาเงินไปเที่ยวไปทาตามความอยากถ้าเรามีเงินที่จะเอาไปใช้กับความอยากต่าง เราต้องดึงออกมาใช้กับการทำบุญแทนเพื่อที่จะได้หยุดความอยากต่างๆได้นั่นเองความอยากมันจะหมดถ้าเราไม่ไปทำตามมันถ้าเราไปทำตามมันมันจะไม่มีวันหมด น, นี้คือขั้นแรกคือการกำจัดความอยากความอยากชนิดห ย, ยาบๆคือความอยากที่จะเอาเงินทองไปซื้อความสุขต่างๆตาม ความอยากของของความของความอยากคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้าเอาเงินไปใช้กับความอยากทั้งสามนี้ก็ดึงออกมาใช้กับการทำบุญทาทานแทนแล้วความอยากก็จะลดน้อยลงพอลดน้อยลงพบชาติก็จะลดน้อยลง อ น, นี้เป็นการลดหรือตัดภพตัดชาติให้น้อยลงขั้นที่หนึ่งด้วยการทำทานขั้นที่สองก็ให้รักษาศีลา็ถ้าเรารักษาศีลห้าได้เราก็จะไม่ไปทำบาปนั่นเองเมื่อเราไม่ไปทำบาปเราก็จะตัดการไปเกิดในอบายได้ตายไปจะไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรกเป็นอสุรกาย ไปตกนรกเนี่ยเพราะเราหยุดการกระทําเหตุที่จะพาให้เราไปเกิดในอบายกันก็คือความอยากฆ่าอยากรักทรัพย์อยากประพฤติผิดประเวณีอยากโกหกหลอกลวง อ, อ, อยากดื่มสุรายาเมาและอบายามุขทั้งหลายนี่เกิดสิ่งที่เราต้องมาหยุดกันหยุดความอยากแบบนี้กันเพราะเป็นความอยากที่เป็นอันตรายต่อจิตใจ ความอยากที่จะพาให้เราต้องไปติดคุกติดตารางในอบายนั่นเองอบายนี้ก็คุกคุกตารางดีๆนี้เองเช่นถ้าเรามีชีวิตอยู่เราทาบาปทำผิดกฎหมายถ้าเขาจับเราได้เขาก็จับเราไปขังในคุกนี่เองแต่เรื่องของกฎแห่งกรรมนี้ไม่ต้องมีตารวจมาจับไม่ต้องมีศาลมาตัดสินถ้าทำบาปแล้วเวลาตายไปกฎแห่งกรรมนี่แหละจะเป็นผู้จัดการเอง กฏแหงกรรมนี้จะส่งดวงวิญญาณของผู้ทำบาปให้ไปอยู่ในอบายเองไปติดคุกในอบายทันทีดังนั้นเราต้องมารักษาศีลห้ากันเพื่อหยุดการที่จะไปเกิดในอบายกันแล้วพอเรารักษาศี่ห้าได้แล้วเราก็มาเพิ่มรักษาศีล8ปเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดในกามมาพบกัน ถึงแม้จะกลับมาเกิดเป็นเทวดาการมาพบมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่เพราะมันยังเสื่อมมันยังหมดได้ให้เราหยุดการกลับมาเกิดการมาพบด้วยการมาถือศีลแปดแล้วก็ไปหัดนั่งสมาธิให้เข้าฌานขั้นต่างๆให้ได้พอเราเข้าฌานขั้นต่างๆได้เราก็จะไปเกิดในพรมโลก สวรรค์ชั้นพรมที่มีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นเทพเ่แต่เราไม่ต้องการที่จะไปเกิดและอยู่ที่สวรรค์ชั้นพรมเราเพียงต้องการใช้สวรรค์ชั้นพรมเป็นบันไดาพาเราขึ้นไปสู่สวรรค์ของพระอริยเจ้าของพระอริยะบุคคลที่เป็นสวรรค์ที่ไม่มีวันเสือ่อมที่จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป แต่เราต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนขั้นแรกก็ตัดอบายออกไปแล้วให้เราเกิดในการมาพบพอเราเกิดในการมาพบเราก็เกิดในสุขติเราก็ก้าวขึ้นสู่สวรรค์ชั้นรูปประพรมอารูปประรมสวรรค์ชั้นพรมต่อไปได้ถ้าเรายังไม่อยู่บนสวรรค์ชั้นเทพเราจะขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรมไม่ได้มันเป็นเหมือนขั้นบันได ถ้าเรายังติดอยู่ในอบายเราจะขึ้นไปสวรรค์ชั้นเทพไม่ได้จะมาอยู่ในระดับของมนุษย์ไม่ได้ต้องทําเป็นขั้นตอนต้องตัดอบายด้วยการรักษาศีลห้าเพื่อจะได้เป็นมนุษย์แล้วก็ทําบุญเพื่อที่จะได้ไปเป็นเทวดาะ พอได้เป็นเทวดาแล้วก็ไปรักษาศีลแปดไปนั่งสมาธิเพื่อจะได้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมแล้วพอขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรหมจะก้าวออกจากตายภพได้ด้วยการเจริญปัญญาหรือที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาภาวนานี้แบ่งเป็นสองขั้นขั้นที่หนึ่งเรียกว่าส ม, มถะภาวนาทําใจให้สงบด้วยการเข้าฌานขั้นต่างๆ ก็จะดึงใจให้ขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรหมแล้วพอได้สวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็ให้เอาใช้ปัญญามาสอนใจเพื่อดึงให้ใจขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพระอริยเจ้าต่อไปชั้นโสดาบันชั้นสกิรดาคามีชั้นอนาคามีชั้นของพระอรหันต์จนในที่สุดก็จะถึงชั้นพระนิพาน เป็นชั้นที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปต้องปฏิบัติทำขั้นต่างๆเหล่านี้ทำบุญทำทานเพื่อตัดความอยากที่จะใช้เงินส่งเสริมความอยากตัดทบตัดชาติลงไปด้วยการเอาเงินไปทำบุญทำทานแล้วก็รักษาสีหน้าเพื่อตัดการไปเกิดในบายแล้วก็มาทำ เราก็จะขึ้นไปบนสวรรค์ถ้าได้ทำบุญทาทานนะรักษาศีลห้าได้ก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเทพแล้วถ้าอยากจะขึ้นไปสูงกว่าชั้นเทพก็ไปรักษาศีลแปดแล้วก็หัดนั่งสมาธิเดินจงกรมจะเดินกรรมฐานคือพุทโธพุทโธหรือเวลานั่งก็ดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทโธพุทโธ คอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดให้หยุดให้หยุดความคิดให้ได้เพราะถ้ายังมีความคิดอยู่จิตจะไม่สามารถเข้าสู่สมาธิเข้าฌานได้ต้องใช้สติคอยหยุดความคิดเช่นคําบริกรรมพุทโธพุทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกหรือช่วงที่ยังไม่ได้นั่งก็ให้เจริญสติคอยพุทโธพุทโธ หรือคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้ใจอยู่กับงานที่กำลังทำอยู่งานที่ร่างกายกำลังทำอยู่หรือให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธไปใจก็จะลดความคิดลงได้แล้วพอมานั่งดูลมหายใจต่อหรือพุทโธต่อเดี๋ยวความคิดต่างๆก็จะหายไปหมด พอหายไปจิตก็จะเข้าสู่ฌานได้เข้าสู่ความสงบ พ, พอเข้าสู่ฌาน ก, ก็ถือว่าได้ขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรหมแล้วพออยากจะออกจากสวรรค์ชั้นพรหมไปสู่สวรรค์ชั้นพระอริยเจ้าพอออกจากสมาธิมาก็ให้เจริญปัญญาให้พิจารณาอริยสัจสี่พิจารณาไตรักอนิจจทุกขังอนัตตา ของสภาวธรรมทั้งปวงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นราบยศสรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผดทพ้าไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตใจนี่ล้วนเป็นตายรักทั้งนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนาัตตาสวรรค์ทุกระดับสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรมก็เป็นตายรักอย่าไปติดมันได้แล้วก็ต้องออก ่อยมันเพื่อที่จะได้ขึ้นสู่สวรรค์ที่ไม่มีวันเสื่อมอีกต่อไปคือสวรรค์ชั้นนิพพานถ้าสามารถพิจารณาเห็นใจรักในสภาวะธรรมทั้งหลายเห็นสภาวะเห็นราบยศสารเสริญเห็นรูปเสียงกลิ่นรสว่าเป็นใจรักเห็นน่่งกายว่าเป็นใจรักเห็นเวทนาเห็นจิตว่าเป็นใจรักเห็นทุกอย่างว่าเป็นใจรัก ก็จะละความอยากในสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้หมดละความอยากในราบยศสรรเสริญละความอยากในรูปเสียงกลิดนด่นรสละความอยากในร่างกายในเวทนาในจิตในอารมณ์ของจิตเมื่อละได้ทั้งหมดแล้วก็จะหลุดพ้นจากการที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปจิตก็จะอยู่ที่พระนิพพาน จะไม่ต้องมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปอันนี้ต้องอาศัยการปฏิบัติทำขั้นสูงสุดคือขั้นวิปัสสนาภาวนาหรือขั้นปัญญาแต่ก่อนจะขึ้นไปสู่ระดับวิปัสสนาได้ต้องไปขั้นสมถภาวนาก่อนและก่อนจะเข้าสู่สมถภาวนาได้ก็ต้องผ่านศีลแปดก่อน ต้องมีศีลแปดก่อนและก่อนที่จะปฏิบัติศีลแปดได้ก็ต้องรักษาศีลห้าให้ได้เสียก่อนแล้วก่อนที่จะรักษาศีลห้าได้ก็ต้องทำบุญทำทานให้ได้เสียก่อนเพราะคนทำบุญทาทานนี้จะไม่ชอบทำบาปนั่นเองเมื่อรักษาเมื่อทำบุญทำทานได้ก็จะรักษาศีลห้าได้รักษาศีลห้าได้ก็จะรักษาศีลแปดได้ รักษาศีลแปดได้ก็จ ะ, จะเจริญสมถภาวนาทำใจให้สงบในฌานได้เมื่อจเจริญสมถภาวนาได้เวลาออกจากสมาธิมาก็สามารถจเจริญปัญญาต่อได้จเจริญวิปัสสนาพิจารณาไตรลักษ์พิจารณ า, าอริยสัจสีได้พอมีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ก็ปล่อยวางทุกอย่าง ตัดความอยากได้ทุกอย่างให้หมดสิ้นไปจากใจเกิ อ, อยากได้ลาบยศสารเสรนก็ตัดไปเกิ อ, อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสก็ตัดไปเกิ อ, อยากมีร่างกายก็ตัดไปเกิ อ, อยากมีความสุขอยากความสงบก็ตัดไปตัดทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดพอความอยากต่างๆหมดไปจากใจแล้วทีนี้ก็จะไม่มีอะไรดึงใจให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป นี่แหละคืองานที่พระพุทธเจ้าสรงสอนให้พวกเรามาทำกันและให้หมันทดสอบถามตนเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังสร้างภพสร้างชาติหรือเรากำลังตัดภพตัดชาติกันถ้าเรายังหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากเูือเสียงกลิ่นรลอดอยู่เรากำลังสร้างภพสร้างชาติกันอยู่ ก็พบกาชาติกันอยู่ถ้าเราปฏิบัติทานศีลภาวนาอยู่เรากำลังตัดพบตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดการกระทำทั้งสองทางนี้ไม่มีใครมาทำให้เราได้เราต้องเป็นผู้กระทำเองต้องคอยเตือนตัวเราเองคอยสอบถามตัวเราเองไม่มีใครมาสอบถามให้เราได้มาเตือนเราได้ เตือนได้ก็นานา น, านทีเช่นเวลามาฟังเทศฟังธรรมสักครั้งหนึ่งแต่มันจะห่างไกลเกินไปควรจะเตือนอยู่ทุกชั่วโมงยิ่งดีว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่กำลังก่อภพก่อชาติหรือกำลังตัดภพตัดชาติแล้วเราจะได้ทำงานที่เราควรจะทำคือตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดดับความทุกข์ทั้งหลาย ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปพเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุ ป, ปกับปฏิ อิชิตางปฏทิตางตุมหังคิปะเมวะสัมมิจโตสัพเพปเรนตตสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติอาระโสยถาสัพพิติโยวิวะจันโตสัพพารุโควินสศตุ มาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวัภพีวาธนศิริสานิจจังอุทธาปจายโนจตารโรธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง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 ค่ะวันนี้จาก Facebook 306 YouTube 327วิทย์ออนไลน์22ผู้รับฟังบนนี้4ี่สิบหรวมเจ็ดร้อยน่ท่านค่ ะ, ะมีคำถามอะไรก็ถามได้เลยจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามหากเราพบมูเหลือมกำลังรัดสัตว์เล็กกว่าเช่นไก่หรือลูกสุนัขที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะกินเป็นอาหารถ้าเราเข้าไปช่วย แยกเพื่อหวังว่าจะช่วยชีวิตสัตว์เล็กโดยไม่ได้ทําร้ายงูเช่นนี้จะเป็นบาปผิดศีลข้อสองหรือไม่เพราะเราไปแย่งอาหารของงูหรือว่าควรวางใจเป็นอุเบกขาไม่ควรไปแย่งอาหารจากสัตว์ออกมาเพราะเป็นเรื่องของธรรมชาติก็เราถามสัตว์ที่จะดถูกงูมันกินกันแล้วกันว่าจะให้ทํายังไงถ้าเราถ้าเราเป็นมันเราจะให้มันทํายังไงถามอย่างนี้ดีกว่า ถ้าหมาอยอมให้มันกินก็ไม่ต้องทำอะไรถ้าคุณเป็นสัตว์ตัวนั้นแล้วงูจะมากินคุณคุณจะทำยังไงดีจะยอมให้มันกัดให้มันกินหรือ ว, ว่าจะขอให้คุณให้มาช่วยเหลืออันนี้คุณต้องถามตัวคุณเองถ้าคุณเป็นเขาแล้วคุณจะทำยังไงแล้วคุณก็จะได้คำตอบเองเวลาไม่ถูกกัดไม่ถูกกินมันก็พูดได้ทั้งนั้นคิดได้ทั้งนั้น พอจะถูกกัดถูกกินบางทีบาก็ยังกล้าทำเลยเพื่อเอาตัวรอดใช่ไหมยังนู่ยเพื่อที่จะช่วยเหลือชีวิตเขาแล้วไอ้สวงง่วนไอ้งูมันก็ไม่ได้กินข้าวมื้อหนึ่งทั้งเองมันไม่ตายาน้ำหนักมันอยู่ตรงไหนนะ่ะยิงมเอมลองคิดดูถ้าคุณเป็นสัตว์ที่จะถูกงูกินคุณก็ถามตัวคุณเองว่าจะเอายังไงดี ถ้าคุณเป็นโพธิสัตว์ก็บอกไม่ต้องมาช่วยวเราหรอกเรายอมตายเกิดมาแล้วก็ต้องตายอานนี้ก็โอเคก็ได้ทั้งสองทางคำถามจากคุณวีถ้าเราไปเที่ยวเพื่อพักผ่อนและไปทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้จะถือว่าสร้างภพสร้างชาติไหมคะก <sk> ็มันก็สร้างเพราะว่าเรียนรู้เพื่อราบยศอยู่ดีใช่ไหม ถ้าไปรเรียนรู้ถ้าไปเรียนรู้ทางธรรมะก็กตัดพบตัดชาถ้าไปเรียนรู้เพื่อที่จะได้เอาความรู้มาหาเงินหาทองหายศหาตําแหน่งมันก็ยังเป็นการสร้างพบสร้างชาติอยู่ค่ะคำถามจากคุณจินขอบคําถามที่หนึ่งถ้าเกิดความอยากทําบุญหรือเป็นพระรัตนตรยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใจควรละความอยากเช่นนี้ไหมครับเพราะเป็นภาวะตัณหา อ๋อไม่เป็นหรอการอยากทําบุญนี้เป็นมรคฮะไม่ได้เป็นกิเลสเป็นเครื่องฆ่ากิเลสเพียงแต่ว่าให้ยอยากในขอบในเขตของความสามารถของตนถ้าเกินมันก็เป็นกิเลสได้อยากจะทํามากกว่าที่มีอยู่อย่างนี้อยากทําไม่ได้แล้วทุกอย่างนี้ก็เป็นกิเลสแต่ถ้าทําอยากทําบุญเพื่อตัดกิเลสนี้ไม่เป็นไม่เป็นกิเลสเป็นมรคเป็นเครื่องมือฆ่ากิเลส คำถามที่สองพระโสดาบันยังทุกใจกับการเกิดการตายไหมครับไม่ทุกข์กับความตายความเจ็บคำถามจากคุณ The Sky Black ถ้าหนูไม่ได้เลี้ยงดูพ่อกับแม่หนูจะบาปไหมคะเพราะต้องเป็นเสาหลักให้ครอบครัวแต่ส่งเงินให้ทุกเดือนโทรไปหาปีละครั้งเพื่อไปกราบท่านขอพรจากท่านคะ่ะโทรแค่ปีครั้งเดียวนะ ทำไมค่าโทรมันแพงนักเลยนะทำไมโทรทุกวันไม่ได้เลยเวละนาทีสองนาทีก็ยังดีกว่าไม่โทรเลยทักทายกันหน่อยสบายดีหรือแม่สบายดีหรือพ่อหนูต้องไปทํางานแล้วนะขอให้แม่พ่อแ ม, แม่มีความสุขนะให้พรให้แค่นี้ก็พอแล้วทําไมต้องรอปีหนึ่งก็มาโทรโทรกันสักทีแสดงว่าไม่มีเยื่อใหยกันเลยไม่มีกระจิตกระใจ ไม่มีความกระตันอยู่ไม่มีความสำนึกในบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของบิดามารดาเลยทําบุญโทรหากันปีละครั้งแล้วก็ส่งเงินไปส่งไปก็เหมือนก็จ่ายภาษีจําใจจ่ายนั่นเองอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นความมีความกะตันอยูนะ่แต่ไม่บาปไม่ได้เนรคุณอะไรเพียงแต่ว่าไม่ค่อยมีความรักพ่อรักแม่ไม่ค่อยเห็นบุญคุณของพ่อของแม่ จึงไม่ค่อยมีเยื่อใหญ่รักผัวรักเมียรักลูกมากกว่าไอคนที่ไม่มีบุญคุณกับเรากลับไปรักมันไอคนที่มีบุญคุณกับเรากลับไม่ไปรักอันนี้แหละคือกิเลสมันหลอกเราให้เห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัวคำถามจากคุณปียนันการทําบุญในวันพระกับการทําบุญในวันอื่นๆที่ไม่ใช่วันพระได้ผลบุญแตกต่างกันหรือไม่คะ ไม่ไม่แตกต่างเราเหมือนกันไม่ได้อยู่ที่วันไหนทําอยู่ที่ว่าทําหรือไม่ทําทํามากหรือทําน้อยเนี่ยถามจะคุณพาคินการที่เราเอาสมาธิมาใช้ในทางโลกถือว่าเป็นสัมมาสมาธิหรือไม่ครับไมไ่เป็นเมตช้าสมาธิทามาใช้ทางโลกก็เพื่อหาลาบยศสรรเสริญก็เป็นเครื่องมือของกิลเลสตัณหาเท่านั้นเอง สมาธิมีไว้เพื่อมาฆ่ากิเลสไม่ใช่มารับใช้กิเลสคำถามจากคุณชุตินัน์การบารรลุพระโสดาบานันต้องปฏิบัติอย่างไรครับก็ต้องปล่อยวางร่างกายต้องไม่ยึดติดกับร่างกายต้องเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา คำถามจากคุณสุปราณีถ้าเราบนโดยการบอกกล่าวว่าเราจะบวชชีพราหมณ์เป็นเวลาสามวันแล้วเราปฏิบัติโดยไม่ติดต่อกันสามวันบวชครบสามวันแบบนี้จะผิดไหมคะก็อยู่ที่เวลาเราตกลงกันว่าจะเอาแบบไหนถ้าบวชสามวันติดกันแล้วมาขอผ่อนส่งนี่ก็ผิดก็ผิดสัญญาแล้วอยู่ที่เราเวลาเราบน่นเราว่าอย่างไง คนเราเวลาบนให้ว่าอย่างนึงพอเวลาใช้บนนี่ใช้อีกอย่างนึงเหตนั้นก่อนจะทำอะไรท่านบอกว่าเราเป็นเจ้านายของคาพูดความคิดของเราพอเราคิดไปแล้วพูดไปแล้วนี่ความคิดกับความพูดนี้มันจะผูกมัดเราหตั้นก่อนที่จะบนอะไรถามตัวเองก่อนว่าใช้ใช้นี่ได้หรือเปล่าก่อนที่จะไปยืมเงินเขานี่ถามตัวเองว่ามีปัญญาจะใช้คืนหรือเปล่า ถ้าไม่มีปัญญาจะใช้เคงก็อย่าไปยืมเขาดีกว่าเพราะมันจะเป็นการโกหก ห, กหลอกลวงเป็นการช่อโกเหมือนกันการบุญก็เป็นเหมือนการโกหก ห, กหลอกลวงช่อโกงถึงแม้จะไม่มีใครเราเนี่ยหลอกลวงตัวเราเองช่อโกงตัวเราเองเ แตผู้ไม่ประสงค์ออกนามการที่เราอยากศึกษาธรรมะศึกษาตัวเราเป็นการอยากของตัณหาไหมคะเพราะวันหนึ่งคิดแต่เรื่องธรรมเพราะเราไม่เคยศึกษาเราเคยได้ยินเลยอยากศึกษาค่ะออการอยากศึกษาธรรมนี่เป็นปัญญานี่ไม่ได้เป็นกิเลสเป็นเครื่องมือค่ากิเลสคาถามจากคุณป๋องพระอาจารย์เคยทุดงบ้างไหมครับ เคยอ่านประวัติพระอาจารย์ไม่เคยออกนอกวัดเลยพระอาจารย์มีอุบายอย่างไรจึงมีความสงบในจิตโดยไม่ต้องอาศัยการเปลี่ยนสถานที่เป็นที่สับปะยะได้ครับทุดงมีต้องสิบสามข้อไหอฉันได้บาทนี้ก็ทุดงนะบินทบาทก็ทุดงนะฉันมือเดียวก็ทุดงเนะถือผ้าสามผืนก็ทุดงเนะ อยู่ในป่าก็ทุดงแล้วอยู่ในวัดป่าก็ทุดงแล้ววัดป่าก็เป็นป่าแล้วเราจะไปทุดงที่ไหนไงเมื่อมันมีที่สับปะยะแล้วก็ไม่ต้องไปแล้วที่ไปเพราะที่ยังไม่สับปายะยังไม่ถูกยังไม่ถูกใจก็ต้องเปลี่ยนที่ไปนี่ไปเจอที่ที่เป็นเป็นเหมือนไปทุดงในป่าแล้วต้องไปทุดงที่ไหนไง วัดหลวงนงตาท่านเงียบสงบไม่มีใครมารบกวนสบายอยู่แล้วภาวานาได้เต็มที่แะก็ไม่เห็นจําเป็นจะต้องไปทุ่งดงที่ไหนคําถามจากคุณยุทธนาอยากทราบว่าสมาธิกับผวังจิตเป็นอย่างไรครับสมาธิก็เป็นผวังจิตอย่างหนึ่งผวังจิตคือผวังของความสงบของจิตมีสองแบบแบบมีสติกับแบบไม่มีสติ ถ้ามีสติก็เป็นสมาธิถ้าไม่มีสติก็เป็นผวังหลับ<笑><笑>เนี่ยเวลานั่งสมาธิส่วนใหญ่ญาติโยมมักจะเข้าผวังหลับกันเพราะไม่มีสติเพราะจิตเริ่มเคลิ้ไม่มีสติคอยดึงมันไว้มันจะสงบไม่ไม่มีสติคอยคอยดึงให้มันเข้าในในผวังสมาธิมันก็เลยเข้าไปในผวังหลับแทนหมดแล้วเหรอเนีเ่ย เห็นต้องฝึกสติให้มากๆไม่งั้นจะเข้าผวังหลับกันเป็นส่วนใหญ่นั่งครับเดี๋ยวขอพับแล้วนี่ไปแล้วเนี่ยถ้าคนนั่งสมาธิแล้วขอพับนี่แสดงว่าเข้าผวังหลับแล้วถ้าเข้าผวังสมาธินี้จะขอตั้งนะอย่ไม่อย่าไม่หลับจะรู้สึกตัวตลอดเวลารู้ว่าเมื่อกี้จิตกําลังคิดนู่นคิดนี่เดี๋ยวนี้หายคิดหยุดคิดกําลังอยากเรื่องนั้นอยากเรื่องนี้ตอนนี้หยุดหายไป ตันนี้จิตว่างจิตเบาจิตสบายจิตมีความสุขเนะี่ยต้องรู้ตัวรู้สึกตัวถ้านั่งเราไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้ว่ามันสงบเมื่อไหร่หายออกจากสงบเมื่อไหร่นี่ก็แสดงว่าหลับพอตื่นก็รู้ว่าอ้อเพิ่งออกจากสมาธิมาเ <laughs> น, นี่นักปฏิบัติระวังนะั้นจะถูกตัวเองหลอกตัวเองคิดว่าตัวเองเข้าสมาธิกันนะ โอ้ยนั่งได้ต้องนานดูนาฬิกาสี่สิบ้านาทีชั่วโมงหนึ่งแต่ที่ไหนได้นั่งหลับต้องสี่สิบห้านาทีนั่งหลับต้องชั่วโมงหนึ่งเนีเพราะไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่าเข้ามาไหร่ออกเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าขณะที่เข้าอยู่ที่นั่งอยู่ที่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยแสดงว่าเป็นนี่แหละพอวางหลับกัน ฉะนั้นต้องออกมาเดินจงกรมนะถ้านั่งแล้วหลับแบบนี้อย่าไปนั่งเสียเวลาไม่ได้ผลมันก็เหมือนนั่งหลับก็ไปนอนหลับดีกว่าสบายกว่าเออไม่ต้องมาทรมานนั่งกายแต่ถ้าจะนั่งสมาธินี้ต้องมีสติถ้าหลับก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมมาสร้างสติก่อนเดินไปนานๆเลยเดินเป็นชั่วโมงเลยให้มีสติเยอะๆแล้วทีนี้เวลามานั่งมันก็จะได้ไม่หลับนะ พระอาจารย์คะขอโอกาสค่ะแล้วถ้ามาเดินแค่แป๊บเดียวแล้วเราหายง่วงเรากลับไปนั่งต่อได้ไหมคะก็ลองดูสิล้วจะมหายง่วงจริงหรือเปล่าเดี๋ยวอาจจะหายง่วงสิบนาทีเดี๋ยวนั่งสิบนาทีก็พับอีกแล้วแต่ถ้ามันเดินเยอะๆเดินนานๆนี่โอ้ยมันมันสติมันจะเยอะมันจะมากแล้วเวลานั่งมันจะนั่งได้นานก็ลองดู จติตน้อยก็นั่งได้น้อยสงบได้น้อยจติตมากก็นั่งได้มากเ อ, อยู่<ร>ที่<ร>กำลังของสติที่เราต้องฝึกกันอืขอบคุณค่ะคำถามจ้าคุณปริญญามนุษย์เราตายไปแล้วกี่วันถึงจะรู้ว่าตัวเองตายค่ะจะรู้เมื่อกลับมาเกิดใหม่ตอตายนั่นก็เหมือนนอนหลับแล่ะเวลาตายก็เหมือนนอนหลับเวลาเรานอนหลับเรารู้ว่าเราเเราหลับตอนไหน มารู้ก็ตอนที่เราตื่นแล้วก็เพิ่งหลับหลับไปตั้งแต่นู่นนะอันนี้ก็เหมือนกันเวลาตายก็เหมือนนอนหลับเวลาเกิดก็เหมือนตื่นขึ้นมาเพียงแต่ว่าตื่นเริ่มได้ร่างกายอันใหม่เหมือนกับการไปถ่ายร่างกายเนี่ย สมัยนี้โง่ถ่ายวอาวัยวะอยู่ได้ไม่กี่ปีก็ตายอยู่ดีสู้ไปถ่ายร่างกายใหม่ดีกว่าร่างกายใหม่เอี่ยมเลยเหมือนกับลดออกมาจากโรงงานผลิตใหม่เอี่ยมอ่องเลยเนีไปเวลาใกล้จะตายแล้วอย่าไปยืมมันดีกว่าอย่าไปถ่ายอาวัยวะอย่าไปอะไรให้มันเสียเวลาเลยมันก็ต่ อ, อยุตได้ไม่กี่เดือนกี่ปีสู้ไปเลยดีกว่า ไปแล้วไปรอรับเอาร่างกายอันใหม่เปลี่ยนมันทีสามสิบสองอาการเลยคำถามจากคุณเอสพีลูกตักบาตรทุกวันแต่สามีเป็นฝ่ายซื้อวัตถุดิบมาทุกอย่างลูกเป็นคนจัดเตรียมอาหารใส่บาตรตอนเช้าทุกวันอยากทราบว่าลูกจะได้บุญไหมคะก็อยู่ว่าเป็นเงินของใครนะเจ้าของเงินเนี่ยได้บุญ ถ้าทั้งสองคนเป็นเจ้าของบุญก็ได้เงินได้กันทั้งคู่คำถามจากคุณไกลบ้านการพิจารณากระดูกต้องพิจารณาอย่างไรครับอกระดูกก็กระดูกนีงพิจารณาไงก็ให้มันเห็นมันสิเนีย่ยร่างกายเรามีโครงกระดูกแขนมันด้วยอย่างาพิจารณาให้มันเห็นตลอดเวลาเอามองร่างกายของใครก็เห็นโครงกระดูกเดินมาเนี่ยอย่าไปเห็นหนุ่ ม, มสาวเดินมาเอา แขนโครงกระดูกเดินมานะพิจารณากระดูกคำถามจากคุณโคโคทำอย่างไรครับถ้าเราอยู่ในสังคมจอมปลอมขอพระอาจารย์ช่วยชีแ้แนะครับเราก็อย่าไปอยู่กับมันสิเราก็อย่าไปปลอมกับมันนะเราก็จริงเราก็อยู่ความจริงของเราไปเราซื่อสัตย์สุจริตเขาจะโกหกจอมปลอมก็ให้เรารู้ทันเขาก็แล้วกันนะอย่าไป ถูกให้เข้ามาหลอกเราเขาพอให้รู้ทันเขาแต่ไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาไม่ต้องไปรังเกียจเขาถ้ายัางต้องอยู่กับเขาก็อยู่กันไปไม่สัตไม่ไม่ศรัทธาก็ไม่ลบหลู่ไม่เชื่อก็ไม่ลบหลู่ก็ปล่อยก็อยู่ตามเรื่องของเขาไปไม่ต้องไปด่าเขาว่าเขามึงโกหกหลอกลวงจอมปลอมไปสร้างศัตรูปล่อยเปล่าๆ อ, อ, อยู่กันก็มีเมตตาต่อกันได้ไหมเขาจะเป็นคนจอมปลอมก็เรื่องของเขา เราก็มีความเมตตากับเขาแต่เราต้องมีปัญญาให้มันทันเขาเท่านั้นเองอย่าปล่อยให้เขามาหลอกเราได้คำถามจากคุณกรหทยัยการทำพินัยกรรมบริจาคที่ดินและทรัพย์สินให้การกุศลเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วผู้ตายจะได้รับผลบุญไหมคะไม่ได้เราต้องทาตอนที่ยังไม่ตายให้ให้ตอนที่ยังไม่ตายเพราะผู้ตายจะได้เห็นชัดๆว่าได้ให้แล้ว แต่เวลาตายไปแล้วผู้ตายไม่รู้ว่าให้หรือเปล่าก็เหมือนกับไม่ได้ให้เนี่ยงั้นถ้าอยากจะได้บุญต้องทําตอนก่อนตายตอนที่ยังไม่ตายเหมือนกับบริจาคอวัยวะก็ต้องบริจาคตอนที่ยังไม่ตายถ้าไปเขียนพินัยกรรมบอกจะเอบริจาคอวัยวะนี่เวลาตายไปก็ไม่รู้ว่าได้บริจาคหรือเปล่าต้องทําในขณะที่เรามีการรับรู้ว่าเราได้เสียสละได้แบ่งปัน ของที่เป็นของเราให้แก่ผู้อื่นไปถึงจะได้บุญเพราะบุญก็คือความสุขใจอิ่มใจนั่นเองพอตายไปแล้วไม่รู้เราจะไปเอาความสุขใจอิ่มใจจากที่ไหนมาหมดแล้วเหรอโอเคหมดแล้วมีใครอยากจะถามอะไรไหมโอเคมีไห ม, ไ ม, มถ้าไม่มีก็เอาแค่นี้ล้วัวนศุกร์วันสุดสั ป, ปดาอาาาา่าเข้ามาว่ามา จากคุณโชคทูนสรุปใจความสำคัญของธรรมะคือให้ทุกคนไม่มีความทุกข์ในใจโดยมองทุกอย่างที่พบเจอว่าเป็นไตรลักษณ์แล้วไม่ยึดติดใดๆถูกต้องหรือไม่ครับออลองไปทำดูทำได้หรือเปล่าเท่านั้นเองทำได้ก็จะไม่ทุกข์กับอะไรถ้ายังทำไม่ได้ก็ยังต้องทุกข์ต่อไปไม่มีแล้วนะไม่มีแลไม่มีก็อ เ, เอาแค่นี้ก็แล้วกัน ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด